วันนี้จะได้พูดเป็นการสรุป <c oughs> เรื่องอาณาปานสติดังที่ได้บอกไว้เมื่อวานสรุปอาณาปานสติได้ไหลายแง่หลายมุมคือลักษณะของมันกานรกระทําของมัน ผลของมันอะไต่างๆเรียกว่าสรุปกันดูทีคราวนี้ในการกระทําแต่ละหมวดหมวดกายามันมีนมสมาธิเป็นส่วนใหญ่กาหนดที่ลมก็เป็นสมาธิ <c oughs> กาหนดที่มีสองกายอันนี้ก็ เป็นสมาธิมีปัญญาเจอือนิดหน่อยทำกายสังขารคือลมให้ระ ง, งับนี่ก็ยิ่งเป็นสมาธิแต่ในนั้นก็มีปัญญาเจือยู่นิดหน่อยมันจึงจะทำได้หมวดนี้ก็เรียกว่าเป็นหมวดสมาธิเป็นเบื้องหน้าแล้วก็ได้สมาธิ ได้ความรู้ดังสมาธิได้ตัวสมาธิได้ความจำนานในสมาธิเพิ่มมากขึ้นในหมวดนี้หมวดที่สองเวทนานี่ก็มันปัญญามากขึ้นไปรู้รู้รู้จกักปีติรู้จักสุขรู้จักความที่เป็นจิตตสังขาร แล้วก็สามารถทำมันสงบระ ง, งับลงไปมันก็เป็นปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเบื้องหน้าเรือมากกว่าสมาธิแต่ก็ไม่พ้นที่จะมาสมาไม่พ้นที่จะมีสมาธิอะไนี่มันมันเป็นอันรู้กันเถอว่ามันมีสมาธิเจืออยู่เสมอแต่นี้ปัญญามันมากขึ้ น, นออกข้างหน้า รู้เรื่องของปีติรู้เรื่องของความสุขรู้ความรับที่ว่ามันเป็นการกรุงแต่งจิตมาจัดการให้มันสงบลงไปนี่ก็มีความเป็นสมาธิอยู่บ้างมันเป็นเรื่องรู้นักกว่าเรื่องสงบที่หมดที่สามหมดจิตตาโนกัสนาอืม นี่มันเป็นการรู้กับการบังคับปนกันไปนี้เลยสลับกันเป็นหมวดที่มีสมาธิกับปัญญาก้ามตึงกันเลย <c oughs> นี่หมวดจุดท้ายหมวดธรรมานุปัสสนานี่เป็นปัญญาเต็ม <c oughs> ที่ จะเรียเป็นปัญญาสุดเวียงนะมันรู้รู้รู้รู้รู้รู้ <c oughs> รเรื่องอนิจจังตลอดสายไปแล้ว <c oughs> แล้วก็วิราคาก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องบังคับเพราะมันวิราคาวิราคลายกำเ น, นิดมันมากไมัมกก็ดับเองโดยไม่ต้องบังคับน เรื่องของสมาธิจึงไม่ใช่นีที่นี้พอปฏินิสักคะรู้รู้รู้อย่างยิ่งว่ามันคืนแล้วสลัดคืนแล้วสลัดคืนแล้ ว, ลวเรื่องกับมันไม่ต้องบังคับหรือสมาด้วยสมาธิอะไรปัญญาแล้วมันทำลอยมันเองนีื่ก็เป็นปัญญาสุดเวียงในหมวดนี้ นี่เว่าเราสรุปลักษณะหรืออาการแ้องทั้งสี่หมวดอาการที่กำหนดด้วยสมาธิแล้วก็กำหนดอย่างแยบค า, า, า, ายก็มีอยู่มากรู้รู้รู้อย่างแยบคายก็มีอยู่ ที่นี้เพราะการบังคับให้ทำวควบคุมให้ทำนั่นก็เป็นศีลอยู่ในความหมายของคำ ว, ว่าบังคับบังคับวควบคุมให้ทำสำรวมระวังแล้วใครๆก็มองเห็นได้เองทำอนาปานสติอยู่อย่างถูกต้องเช่นนี้ศีลมันจะขาดได้อย่างไรกัน มันมีภาวะแห่งความมีศีลเต็มอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำอนาปานาสติอยู่มันจึงมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพร้อมอยู่ในนั้นทั้งสามประการที่บางคนเขาชอบทาน ก็ถามวทาน่ะนอยู่ที่ไหนถ้ามันฉลาดมันก็เห็นเองอเดี๋ยวนี้มันให้ทานเรียกประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทานสูงสุดคือให้ทานตัวกู้มันเป็นแบบจาคะมันให้ทานตัวกู้ให้ทานตัวกู้ออกไปออกไปออกไป ันกว่าจะหมดตัวกูมันหมดตัวกูกันในหมดที่สี่ไม่ตังไปนึกถึงเรื่องทานเรื่องศีลมันมีมาเองโดยอัตโนมัติมาหัวบางแบบบางสำนักพอจะลงมือทำสมาธีกับบางคับให้รับศีลกันก่อนที่ตรงนั้นศีลแปดศีลสิบ มันเขารับสินกันที่ตรงนั้นหรืสดแสดงอาบัติกันที่ตรงนั้น <c oughs> มันก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ได้แต่ดูมันใล้ๆกัน่ามันไม่รู้มันไม่รู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้นอยู่ในตัวการกระทำนั่นนี่มันจะเป็นพิธีไปเสียมันจะอาศัยความศักดิ์สิทธิ์มีเจืสยศาสตร์ไปเสียเรา รู้ไหมว่ามันประมวลมาสิสังฐารส่งสีนึ่ ง, ส, งสมาธิปัญญาที่นี่ก็มาดูทั้งหมวดธรรมธรรมะนะทำสติอยู่ตลอดต้นจนปลายนะสี่ก ข, ขั้นนะก็ทำให้เป็นผู้มีสติมีธรรมธรรมะคือสติมีคุณธรรมคือสติ นี่ก็มีปัญญารอบรู้มากขึ้นมากขึ้นปัญญาก็พ่อปูนมากขึ้นก็ปัญญาก็เต็มเต็มสุดในหมวดที่ส <c oughs> ี่ทีนี้ก็ซ้ำประชัญญะการกําหนดเฉพาะด้วยปัญญาการกําหนดด้วยปัญญามาเป็นก็ การกำหนดเหมือนกันกำหนดด้วยสติก็เป็นสติกำหนดด้วยปัญญาก็เป็นสัมปชัญญะเพราะมันมีสัมปชัญญะฝึกอยู่ตลอดสายก็มีสัมปชัญญะญญเต็มที่ความเป็นสมาธิเริ่มมีตั้งแต่พอรักว่ากำหนดลมหายใจเนี่ยก็เป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นถ้าทำกายสังขารให้สงบลงงับถึงที่สุดก็เป็นสมาธิ ทนรูปฌานถึงที่สุดถ้าทำไปจนถึงที่สุดมันทำด่าได้หากแต่ว่าเราไม่ต้องการถึงที่สุดต้องการพอสมควรมีสมาธิพอสมควรที่จะไปปฏิบัติขั้นต่อไปคือปัญญานี่เรามีไอธรรมะที่ต้องการอย่างยิ่งสี่เกลอ สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิที่ทำมานอกนั่นที่เรยกาจะเป็นปลอยได้หรือบริวารก็เยอะแยะไปหมดศรัทธาก็มีเต็มที่วิริยะก็มีเต็มที่สติมีแล้วสมาธิปัญญามีแล้วศรัทธามีเต็มที่คติมีเต็มที่อิธิบาทมีเต็มที่ ฉันทะวิริยะจิตตะอิมังสาจะมองดูในหมวดในข้อธรรมไหนมันก็มี ถ, ถ้ารู้จักมองหรือมีปัญญาที่จะมองมันมีธรรมะมากมายเลื่อนหลประชุม รวมอยู่ในนั้นในฐานะเป็นสิ่งที่พลอยได้โดยไม่ต้องเจตนาก็มีโดยเจตนาก็มีอานาปานสตินี่คุยได้เลยว่ามีธรรมะสมธทานธรรมะที่พลอยได้ไมาหมายเดอ น, นี่จะ่าสรุป ในส่วนลักษณะอาการการประพริการกระทำผลที่ได้ในทางธรรมเป็นหัวข้อธรรมะสีเกลอได้มาเต็มที่พอใช้ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสีเกลอนี่ใช่ลายทั้งทางโลกและทางธรรมะอย่างที่กล่าวนะ จะไปทำมาหากินปฏิบัติหน้าที่อย่างโลกใช่ว่าอย่างโลกทำไร่ทำนา้าคขายทำราชการกรรมกรแบกหามนี่มีปัญญาดีกว่าไม่มีแม่ที่สุดแต่ น, นั่งขอทานเว้ยถ้ามันมีสีเกลอหนี้มันต้องขอทานได้เก่งกว่าละกับคนที่มันไม่มีมสี่เกลอี่ไม่ใช่ในทาง ทางโลกทางบ้านเรือนในการบริหารชีวิตในบ้านเรือนการทำดีในการหาทรัพย์สมบัติในการมีทรัพย์สมบัติในการรักษาทรัพย์สมบัติในการใช้สอยทรัพย์สมบัติก็มีไ ด, ด้ดีสีเ่เกอนี่ สารพัดนึกที่ในทางธรรมะที่สูงขึ้นไปสีเกลอนี่มันป้อง ก, กันกิเลสมันกำจัดกิเลสมันทำให้สูงขึ้นไปสูงขึ้น <c oughs> ในแ ง, ขงแ่ของการกำจัดการป้องกันการแก้ไขการรักษาอะไรก็หมดเลยประโยชน์จากสีเกลอือก็จะได้หมดได้ประโยชน์หมด ได้อุปการะทำทำเป็นอุปการะอย่างสูงสุดทีนี้ก็มาดูได้การเปลี่ยนแปลงนี่หัวข้อเราจะได้การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง ก่อนนี้เป็นคนขาดสติมีสติลุ่มลุ่มดอนดก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ก <c oughs> ารเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้นที่ไม่เคยมีสีเกลอมันก็เกิดมีขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงมันก็มีมากตามที่มันเปลี่ยนแปลงมาก <c oughs> มาเป็นคนที่มีสติจากคนไม่มีสติมาเป็นคนมีสตินี่มันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่คนมีสติทุกครั้งที่หายใจทุกครั้งที่หายใจออกข้าวไอ้นี้มันหาทรรมญายากเดี๋ยวนี้มันกลับจะมีทุกครั้งที่หายใจออกข้าว จะไปอยู่ที่ไหนจะทำอะไรอยู่ทำด้วยสติไปเสียทั้งนั้นนันก็เลยมีสติอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวพูดว่าทุกกาละทุกเทสะวัดเรมิติที่น้อยก็ทุกวินาทีในทางกาละทุกกระเบียดนิ้วในทางเทศะ เรามีสติทุกการะทุกเทศาุารณจนกระทั่งทุกกระเบียดย่ี้นก็มันไม่กระทั่งทุกลงหายใจทุกเวลาที่ละเอียดที่สุดเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง เมื่อก่อนเป็นเด็กโง่ไปคบมารเดินตามมารตามรอยมารเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมาเดินตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้เป็นพุทธบริษัทสนบูรณ์ที่สุดาการตามรอยพระพุทธองค์มาตามรอยพระอระหรันได้เป็นพระอระหรัน จนคุยโตฉันอยากมีนิพพานเมื่อไรก็ได้ก่อนนี้มันมรู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้อยากจะมีนิพพานคือเย็นเมื่อไรก็ได้ฉันเก่งจนหายใจทีเดียวเย็นหายใจทีเดียวร้อนออกไปหมดหายใจทีเดียวเย็นขึ้นมาคุยโตแล้วฉันมีนิพพานเมื่อไรก็ได้ มันเปลี่ยนแปลงกันมากถึงขนาดนี้นี่เรามองกันในแง่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ลวงจากคนของมารมากลายเป็นคนของพระจากอยู่กับนรกมากลายเป็นอยู่กับนิพพานใะนเกินสวรรค์เสียอีกในสวรรค์นันร้ระวังให้ดี ผู้ที่มีความรู้ทางธรรมโดยแท้จริงในท่านนี้แล้วก็เขาเห็นสวรรค์เป็นของเด็กเล่นนัเว้ยแล้วถ้ายิ่งไปกว่า น, นั้นอีกก็เห็นสวรรค์เป็นของศกรปรกเว้ยนี่พูดอย่างนี้โกรธก็โกรธเธอคุณยายคงโกรธแน่สวรรค์เป็นของศกกระปรกแล้วมันสมบูรณ์ไประดิษามารมณ์ มันเป็นของหวานของหล่าเด็กของเด็กเล่นเป็นแปางหยางยิ่งมันมีนิพพานเป็นเครื่องอยู่จะมีเย็นเย็นเย็นแม้ไม่ใช่นิพพานสูงสุดก็เป็นนิพพานที่รองลงมาเรียกว่านิ พ, พุตินิ พ, พ, พุติระดับเย็นดับเย็นดับเย็น ในบ้านในเรือนก็เป็นครอบครัวที่เย็นทุกคนเป็นคนเย็นอยู่ในครอบครัวที่เย็นเนี่ยเรียกว่าเดินตามพระพุทธอรหันนัมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่การเดินโดยจีนโดยเท่าอย่างบุคคลตัวกับตัวตนคนมันเดินเพราะจิตนะมันเดิน ที่มาดูในหัวข้อน่าอัศจรความน้าอัศจร์ในการปฏิบัติอนนาปานสติโดยการฝึกทีเดียวหรือมือยิงนกทีเดียวได้มาสองอย่างคือได้สติและปราณ สตินี่มันดึงมาถึงทาทั้งหลายที่มาเปพวงอยู่ในสตินั่นก็เรียกว่ได้สติคำเดียวพอได้สติแล้าสิ่งที่สองได้ปราณ <c oughs> คือปานะปานะอ่าปานะอะไรกันปราณได้สติก็อย่างที่พูดแล้วสติคืออะไรจำเป็นอย่างไร ได้สิ่งสูงสุดสำหรับการดำารงชีวิตการมีชีวิตแล้วมันก็ได้อื่นๆที่เนื่องกันเป็นแท้เลยเมื่อได้สตินะ่ะมันดึงมาหมดนะสตินี่มันจาเป็นที่ว่ามันเป็นที่ดึงมาที่รวบรวมมาประมวลมาซึ่งธรรมะอื่นๆนะถ้าไม่มีสติ ผิดหมดเลยแม่แต่ปัญญาถ้าขาดสติมันจะจะทำหน้าที่ไม่ได้หรอไม่มีอะไรไปเอามาไม่มีการควบคุมปัญญาปัญญาก็จะเลเิดเปิดเผยไปหาความฉลาดความเก่งกล้าในทางที่จะเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสไปซะอีกไงปัญญาจะกลายเป็น กิเลสโพธิจะกลายเป็นกิเลสถ้ามีสติกิเลสกลายเป็นโพธิความรู้ที่รู้ผิดมันกลายเป็นรู้ถูกมีรกิเลสกลายเป็นโพธิ <c oughs> ขาดสติแล้วปัญญาก็จะไม่ให้ผล <c oughs> เพราะว่าสติมันเป็นผู้ใช้ปัญญาควบคุมปัญญา ว, วัตถุทั้งหลายทรัพย์สมบัติพัตสถานบ้านเรือนมันจะกลายเป็นผิดพลาดเป็นเป็นที่ตั้งความผิดพลาดยุ่งยากลำบากถ้าไม่มีสติ ว, วัตถุมันก็จะกลายเป็นน่ปัญหาภาษาบ้านเรานมีคำพูดของปู่ย่าตายายที่ดีที่สุดที่เข้าใจว่า ที่กรุงเทพไม่มีนะก่อนเศร้ากลายเป็นเสือผมได้ยินมาแต่เล็กระๆลุงนุ้ยก็พูดเรื่องนี้บอยก่อนเศร้าที่ใช้จุนหม้อหุงข้าวในครัวมันกลายเป็นเสือโพธิ์ที่กลายเป็นกิเลสเดือดร้อนเรือประมาัง ก่อนเศ้านอยู่กันดีๆแท้านั่งกันอยู่ข้างๆมากลายเป็นเสืออันตรายที่สุดข้าวเจ้าพระคําพูดนี่ที่กรุงเทพไม่มีก่อนเศร้ากลายเป็นเสือ <c oughs> อยู่วัตถุก็เป็นพิษไปหมดนะถ้าไม่มีสติอํานาจวาสนาบารมีอะไรก็กลายเป็นพิษไปหมดเลย อันทีก็เป็นมันไม่มีประโยชน์อะไรนี่ก็กยังไม่ไหวเหมือนกันแหะถ้าเป็นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่มันกลายเป็นพิษมันร่ายกาดอย่างนี้ก็แล้ว่าเราไม่สตินี้ไม่สิ่งที่ประเสริฐที่เลิศที่จะนำไปสู่ผลสําเร็จ <c oughs> เป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องป้องกันคุ้มครอง ที่สำคัญที่สุดคือทาปัญญาให้มีหน้าที่มีประโยชน์นั่นถ้าไม่มีสติปัญญาจะพอจหมันนั่นแม้ว่าเราจะร่วมทุกข์ดับทุกข์ได้ด้วยปัญญากเ็เถอะแต่ถ้าไม่มีสติและปัญญาไม่ได้ทําหน้าที่นะนี่สติมันเลยให้หมดในสิ่งที่ควรจะได้ควรจะมีดึงออกมาดึงออกมารักษาไว้รักษาไว้ ใช่ทำงานใช่ทำหน้าที่ด้วยสติคราวนี้ก็มาถึงปรานเห็นได้สองอย่างคือได้สติและได้ปราณปราณปราณคานี้ก็ควรจะสนใจปราณ เป็นคำโบราณที่มนุษย์รู้จักเริ่มรู้จักปราณเราจะรู้จักปราณกันโดยมากในแง่ว่าลมหายใจแต่เขาเคยรู้จักกันมากกว่านั้นว่ามันเป็นชีวิตเป็นชีวิตสิ่งที่เรียกว่าปราณนี่จะเล่งถึงลม กันได้เล่นเครื่อ ง, งชีวิตกันได้ขาดปราณก็ขาดชีวิตขาดลมหายใจมันก็ขาดชีวิตแล้วมันมีอะไรลึกลับกว่านะั้นตัวปราณมันเป็นตัวชีวิตตัวเองก็ได้หรือเป็นเครื่องรอเลี้ยงชีวิตก็ได้ <c oughs> ในคำพีของคิดสเสตียน เห็นปราณเป็นชีวิตคือพอพระเจ้าเอาดินมาปั้นขึ้นเป็นรูปผู้หญิงแล้เป็นรูปผู้ชายคนมนุษย์คนแรกนะ <c oughs> พระเจ้าก็ใส่ปราณลมหายใจเรียกว่าใส่ชีวิตใส่ปราณหายใจใส่ลงไปในชีวิตนั่นในก้อนดินน่ะหุ่ดินน่ะหุ่ดินก็กลายชีวิตขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นมา เอาแต่ความหมายว่าเพราะปราณน่ะจึงมีชีวิตเพราะปราณนจึงมีมนุษย์เกิดขึ้นจากก้อนดินมันมาจากก้อนดินโดยการที่มันมีปราณมันก็เลยเป็นก้อนดินที่มีชีวิตมองดูลึกๆ ก, ก็เป็นตัวชีวิตมองดผูผิวก็เป็นให้สิ่งเกือกูลกับชีวิต ใช่ค okay, so ําว่ามันให้เกิดชีวิตแล้วมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตปราณในปราณลมลมลมลมหายใจถ้าคุณเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วนะคุณก็รู้ว่าในลมลมอากาศมันมีอะไรวิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่าออกซิเจนออกซิเจน ขาดออกซินเจนนี่มันจะตายในสามสิบนาทีมัขาดน้ำกินก็ยังอยู่ในเป็นหลายชั่วโมงขาดอาหารก็ยังอยู่ในหลายวันนะไม่ได้กินอาหารนียังไม่ตายไปได้เป็นวันวั น, วนสองสามวันสี่ห้า ขาดน้ำกินก็ยังตายเร็วกว่า น, นั้นแต่ถ้าขาดไอปราใไออกซิเจนในลมหายใจมันตายในสามสิบนาทีสิบนาทีห้านาทีก็ได้ไม่ใช่เรื่องอะไรไอลมปราเนี่ยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ออกซิเจนออกซิเจนเลี้ยงชีวิตจึงมีการจัดการทำให้มีออกซิเจน ที่อยู่ที่อาศัยห้องนอนให้มันมีออกซิเจ น, น้นมันก็เลี้ยงไว้ได้ห้องที่ไม่มีออกซิเจนพอไม่หรือไม่มีเข้าไปนอนพักเดียวแหละผีอัมอาการที่ผีอัมมันจะเกิดขึ้นไอ้กุฏิวิปัสนาแบบเก่าทำแล้วอุดหมดไม่มีแสงไม่มีลมเลย จิตมันวั น, วนไหวได้ง่ายเกี่ยวกับผีออมอยู่แล้วน้อมนึกไปเพื่ออะไรก็เป็นได้ง่ายปลุกปีติขึ้นได้มาัาจันเลยเพราะมันมีอาการผิดปกติเพราะขาดออกซิเจนเราไม่เอาอย่างนั้นละมีออกซิเจนมันห่อเลี้ยงชีวิตห่อเลี้ยงชีวิตคนที่ไหนมีอากาศออกซิเจนดีก็ชื่ในใจ ไปที่ทะเลอากาศดีที่ไหนอากาศดีรู้สึกาโอ้สบายฮะหาจจะสบายจริงเวยที่น้่นมันเต็มเป็นออกซิเจนแมแต่สัตว์มันก็ยังรู้จักแสวงหาที่ที่มีออกซิเจนต้นไม้เนี่ยมันก็จะต้องการออกซิเจนในบางบางส่วนบางแง่แล้วมันก็ทำออกซิเจนออกมาด้วยในเมื่อมัน เปลี่ยนแปลงทางเคมีให้แร่ธาตุกลายเป็นสิ่งที่หลอเลี้ยงต้นไม้ได้มันหายออกซิเจนลงมาด้วยจนเรากระไรต้นไม้จากออกซิเจนมากเหมือนกันเลนโดยเฉพาะในเวลากลางวันลมร้ายกาดกว่านั้นออกซิเจนมันหล่อเลี้ยงชีวิตแม้แต่ชีวิตของไฟ ไฟที่ลุกอยู่ได้เทียนก็ดีเยอะไฟอะไรก็ดีที่มันลุกเป็นไฟอยู่ได้เพราะออกซิเจนมันเลี้ยงไว้ขาดออกซิเจนอะไรมันดับทันทีเอาีนมาครอบให้ไฟดับมก็ดับทันทีเพราะมันขาดออกซิเจนใต้เตาของข้าวมันเป็นรูรูรูรูอยู่ข้างล่างให้ออกซิเจนมัน เขาไปหลอเลี้ยงไฟไฟก็ลูกติดไฟขาดออกซิเจนไฟก็ติดไม่ได้นี่เนี่ยดูทําเล่นกับปรานปรานมันหลอเลี้ยงชีวิตแม้แต่ชีวิตของไฟนี่ภาษาอะไรจะไม่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนของศาสตร์ของตนไหมมนุษย์คนแรกที่รู้จักเรื่องนี้ก็นับว่าเก่งมากอ่ะก็เขาตัดสรู้เองกัน รู้จักปราณปราณเราก็สนใจมากเราทำให้ดีที่สุดคน้นคว้าหาวิธีให้ดีที่สุดหายใจอย่างไรดีที่สุดหายใจอย่างไรเรียกนี่เข้าไปในตัวคนแก่เขาถือกันนักถ้าเวลาใดจะมูกหายใจคล่องโลง่งเราก็เพื่อเป็นเวลาที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดจะไปทําอะไรจะไปไหนจะลุกออกจากบ้านจากเรือนไปเขาสังเกตปรานลมหายใจอาจารย์แก่ๆเคร่งครับในเรื่องนี้มากถ้าลมหายใจมันบอกขัดข้องแล้วก็จะหยุดกระทําหรือหยุดไปโดยสั้งไปจะเดินทางไปไหนดีลมหายใจไม่อาํานวยอีกหยุด ถือเป็นไซยาศาสตร์แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่มีความเหมาะสมทางลมหายใจเราหายใจดีมีออกซิยนดีก็มีกำลังมีเรยวแรงมีแข็งแรงถ้าลมหายใจขัดเป็นยังไง เป็นนักมวยเพื่อก้าวขึ้นเวทีถ้าลมหายใจขดาดเรยอมแพ้ก่อนดีกว่าพลานมันไม่มีมันไม่พอมันสู้ก็ไม่ได้เรื่องลมหายใจนักเลงจะกำหนดลมหายใจก็กำหนดมาแต่โบราณพลานดีลมหายใจดีจะ ก, ก้าวลงจากเรือนก็ทดลองลมหายใจละคน ออกซิเนไม่พอเมื่อไรก็เป็นลมเมื่อนั้น เ, เป็นลมทำอะไรไม่ได้เวียนหัวชักอะไรดินชักหรอทำไมาขาด อ, อกซิเ่นขาด้านที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เราเอามาทำให้เป็นประโยชน์ที่สุด รู้จักกันมาดึกดําบรรพไม่รู้ข้างไหนก่อนพุทธกาลแต่รู้ในอันดับพอสมควรพอสมควรพอถึงพุทธกาลพระเจ้าเอามาปรับปรุงวิเศษลูกสุดเป็นระบบอานาปานสติขึ้นมามองในแง่วิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์เหลือเกินมองในแง่ธรรมศาสตร์สนามก็สูงสุด เอามาใช้คือกูแลแขกการดับกิเลสการดับทุกข์กลายเป็นอาวุธํจำจัดทุกข์อย่างยิ่งการบังคับปราณคือบังคับลมให้ใจเขาเรียกว่า ปราณายามะเป็นวิชากลางๆทาง จ, จิตใจคนธรรมดาก็ควรรู้โยคีก็ควรรู้เอาไปปรับปรุงให้เป็นระบบของตนปราณายามจะจึงมีการปรับปรุงให้เหมาะสมไปตามหลักที่ของตนหมู่คณะของตนแต่ใช่หลักพื้นฐานเดียวกันไงคือการปรับปรุงจัดแจงไอ ตกแต่งอะไรก็ตามให้ปราณนมันมีประโยชน์ที่สุดอยกกับปราณายามะลัที่ไหนในอินเดียก็ใช้ปราณายามะเป็นหลักพื้นฐานแม้แต่ชาวบ้านแม้แต่ประชาชนก็ก็รู้จักกรับปรปุงลมหายใจปราณายามะสอนกันไปตามมีตามเกิดแม่กับลูกเด็กๆหายใจอย่างนั้นหายใจอย่างนี้เป็นล้วนจะเป็นปราณายามเ <c oughs> มื่อสูงพอก็ใช้ในลัตที่ สำนักนั้นสำนักนี้พระพุทธเจ้าปรับปรุงขึ้นเป็นระบบอา น, าานาภานสติใช้สูงสุดในพระพุทธศาสนามันเหมาะสำหรับจะใช้อย่างยิ่งในโลกปัจจุบันซึ่งยุ่งเยิงที่สุดบ้าคลั่งที่สุดและสัมรสนธที่สุด โลกแห่งความยุ่งเยิงที่สุดคือโลกยุคปัจจุบันสับสนไปทุกสิ่งทุกอย่างเอาระบบปราณายามะทีเรียกว่าอานาปานสติมาใชา่สิหายใจทีเดียวความรู้สึกยุ่งยุ่งหายไปหมดเกินขนาดนั่นหายใจทีเดียวความเย็นเข้ามานี่หมายถึงผู้นั้นประสรบ ความสําเร็จในการทําอานาปานาสติอยู่อานาปานาสติอยู่ในกำมือมีอำนาจมีอะไรอยู่เนื้ออนนาปานาสติทําได้อย่างอกอย่างใจนะจะระงับกายจะสังขารเมื่อไรก็ทําได้จะระงับจิตจะสังขารเมื่อไรก็ทําได้นะถ้าอย่างนี้เหละหายใจทีเดียวปัดไปเรไรไปหมดหายใจทีเดียวเยือกเย็นเข้ามาทันที ประโยชน์สูงสุดสมควรที่จะมาใช้ในโลกที่แสนจะยุ่งเหยิงระบบอยู่กลางคืนอัดควักลางวันเป็นไฟมันมีมาแต่ครั้งกะนูน้นแต่มันไม่แรงไม่รุนแรงมันเดียวนี้เดี๋ยวนี้ระบบกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟมันยิ่งสูงสุดมันจะเป็นบ้าตายกันอยู่สมหมดแล้ว ต้องเพิ่มโรงพยาบาลประสาทฉันไม่รู้จะเพิ่มเป็นอย่างไรแล้วเพิ่มโรงพยาบาลวิกฤตจิตบ้านโรงพยาบาลบ้านก็เพิ่มกันจะไม่รู้จะเพิ่มเป็นอย่างไรคนกําลังปั่นป่วนแล้วก็เรียกไม่ถูกผมไม่สบายใจอีชั้นไม่สบายใจนี่เลยรับคำรับทุกอย่างนี้มากที่สุด เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะทําอย่างไรมาถามเรามาหาความรู้อย่าง น, นี้เราก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรโดยใชยคำเพียงสองสามคำมันไม่ไหวเพราะคุณไม่รู้อะไรเลยทําผิดไปทั้งหมดทุกอย่างมีความยึดมั่นถือมั่นไปเสียทุกอย่างเห็นแก่ตัวไปเสียทุกอย่าง กลัดกลุ้มไปโดยโรครักโกรธเตียดกลัวตื่นเต้นที่ตกกังวลอะไรอว่าอิจชาทิสยะห่วงหึงนี่ทำไมจะไม่เป็นอย่างนี้ถ้ามันหลงกามารมบ้ากามารมอย่างนี้ยิ่งยิ่งเป็นจะเป็นมากเลยหลงความฟุ่มฟวยฟุ่งเฟือ ย, ยจะดีจะเด่นจะดังแล้วมันก็ไม่ได้แล้วมันก็อยู่ในความผิดหวังอยู่ในความหวาดกลัว อยู่ด้วยความหวาดผวาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนี่ทำไมมีเอาอนนาปานสติไปกว่าดทีเกลี้ยงไปที่แมันไม่มีนี่มันไม่มีมนมมี่มันไม่มีความรู้เรื่องอนนาปานสติแต่ถ้าขี้เล็บอืมแต่มันอยากจะเป็นอะไรเป็นเศรษฐีเป็นเทวดาอยากจะอยู่อย่างแข่งกับเทวดาอยจะมีทรัพย์สมบัติเงินทองวัดอำนาจวัฒนาบารมีสะดวกสบายรู้ราเนี่ย ถ้าอยากจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสงบสุขแล้วก็เป็นเกลอกับปาณายามะหรืออนนาปานสติร่างกายจะชุ่มชื่นแล้วก็วิราคะก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องบังคับนห <c oughs> มั น, มนวิราคะวิราคะ คลายกำนัดมนมากไห ม, มากไปก็ดับไม่แชมไซมันก็ละเสนเนอยู่ในลึกๆเขาจะรู้จักทารรกันหรือไม่ก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าถ้ามันรู้จักทาแล้วมันมีหวงังชนะเลิศนี่พูดมันเลยขอบเขตอไเลยไหมประโยชน์ทอาณาบานสติมันจะไปใช้อย่างนี้ก็ยังได้ มนอยู่ในโลกจะเป็นปัญญาสุดเวียงในหมวดนี้นี่เรียกว่าเราสรุปจิบ้าคลั่งที่สุดในโลกก็คือยุคนี้สติรคจิตโรคประสาทเพิ่มขึ้นอย่างน่าหวาดเสียวและยังจะเพิ่มแรงกว่านี้อีก ถ้ามีใครเป็นเจ้าของโลกเป็นผู้จัดการโลกโดยแท้จริงก็ <c oughs> เตรียมให้ทุกคนในโลกฝึกอนาปานสติเติร์แต่ <c oughs> องค์การสประชาชาติไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่สนใจบอกให้ก็ไม่เชื่อยัง <c oughs> ไม่สามารถที่จะไปช่วยโลกได้ <c oughs> ถ้าเราจะทำความเข้าใจกันได้ระหว่างศาสนาะ ใ, ใช่ คุณธรรมอันนี้ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนให้ประชาชนทุกคนรู้จกักควบคุมกิเลสควบคุมอะไรด้วยอนนาปานสติน่จะเป็นโลกที่วิเศษโดวโลกภาีอาณาไม่ใช่อีกมั้งโลกภะษีอาราเมตซ้มีสะดวกสบายนี่จะไม่มีความสงบมั้งนี่จะเป็นนิพพานไปทั้งหมด โลกแห่งมนุษย์ทีกนี้ลมหายใจอยู่ด้วยนิพพานเนะี่มันวิเศษสักอะไรทุกคนจะต้องอยู่ในโลกอันแสนจะยุ่งเหยิงยิ่ ง, งขึ้นทุกทีเป็นโลกของคนบ้าไม่น่าอยู่จริงๆแต่จะไปเชือดคอตายใช่ไหก็ไม่ถูกเหมือนกันะมันเตรียมตัวที่อยู่ในโลกของคนบ้ามากขึ้นทุกทีเนี่ย พกอานนาภาณสติไหวมากมากนะะขออนุโมทนาด้วยที่ธรรมจารีนีทั้งหลายอสามารถศึกษาฝึกฝนหาไว้แต่อาจจะยังละเมอละเมออยู่ก็ได้ไม่รู้อะไรเท่าไรเพียงไนถ้าวทำได้ถูกต้องแท้จริงก็คุณจะได้เครื่องมือหรือเครื่องป้งปองกันเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าะร ใหช่วยคุ้ม ค, มคมรองป้องกันไมื่อความทุกข์ในโลกบ้าเนี่ยมันครอบงำคุณได้แขวนพระเครื่องสักร้อยองค์พันองค์ไอคอหักมันคุ้มไม่ได้หรอถ้ามีอาณาปานสติอย่างเดียวเลยคุ้มได้ให้คุ้มได้เป็นเครื่องร่างศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคุ้มภัยคุ้มอันตรายคุ้มทุกคุ้มอะไรได้หมดแล้วเจริญจเจริญจเจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วย คอยสนใจชาติแรกมามันน้อยนักคราวหลังๆก็เพิ่มเต <ๆๆ S 1> ิมเพิ่มเติมนกวอย่าทำเล่นๆพอเป็นพิธีมันไม่ใช่ศยลศาสตร์มันเป็นพุทธศาสตร์อย่าทำอนาปานสติอย่างศยลศาสตร์โดยคิดว่าจะสักสิจะคุ้มครองป้องกันให้รวยให้สวย <laughs> โดยวิธีของศยลศาสตร์นั้นมันไม่ได้ละ <laughs> ก็บอกอว่ามันก็มีเหมือนกัน กลายเป็นไสยศาสตร์ไปเพราะความโง่ของคนที่มันเป็นธาตุของกิเลสมันก็มาทำอาณาปานสติอย่างไสยศาสตร์มันจะมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหารกระทั่งมันจะได้ดําำดินได้อะไรได้มันก็มีเหมือนกันมาทำอาณาปานสติอย่างนี้แล้วก็เป็นบ้ามันก็มาบ้าอาณาปาบ้าอาณาปานี่อ ก็เคยนาหูเหมือนกันก่อนนี่มันเคยนาหูแล้วก็ไม่กลาใครก็จะกล้าทำกันก็หยุดไปแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาฟื้นฟูขึ้นมาอีกแต่ในระบบที่ถูกต้องไม่เป็นบ้าถ้าคุณไปจัดไปทำมาให้เป็นไยสศาสต ร, ร์ไปในทางแง่คลังศรรักดิ์สิทธิ์นันบ้าเป็นบ้าแนะ่มีคนเล่าให้ฟังว่าทันที่เขาเห็นนี่ทันเห็นนี่ ไอหนุ่มคนหนึ่งมันฝึกอนาปาเพื่อจะห่อได้เท่านั้นแหละมันคิดว่ามันเสร็จแล้วมันห่อได้มันเปิดประตูหน้าต่างมันกระโดดออกไปจะหอ่อมันก็พลัดไปนอนจุกเกือบตายอยู่ที่ตรงนั้นมันห่อไม่ได้นี่มันทำเป็นเป็นไซยาสตร์อย่างนี้มันไม่ไหว มันจะติดปีกติดนั่นมันก็ห่อไม่ได้เลยทำอย่างนี้ทำไม่ได้แต่ถ้ามันจะห่อได้มันจิตนูน่นมันห่อไปมันห่อไปเนื้อกิเลสเนื้อความทุกข์เนื้อโลกบ้าบาบาบอนี่ออกไปซะจากโลกบ้าบาบาบอนี่ไปอยู่ในโลกุตระโลกที่ไม่มีกิเลสมัน <c oughs> เป็นนิพพานเย็นนี่ห่ะอย่างนี้ดีกว่า พอไปสจากกิเลสพอไปสจากโลกแห่งกิเลสโลกที่ยุ่งเหยิงสกปรกจะอยู่ในโลกที่สะอาดสว่างสงบเยือกเย็นนันดีกว่าเคยเป็นสยสาส์ตมาแต่บูราณมแม่บูราณพูดนเขาก็ใช้มันไง่ายมากนซยาสาตแมันแตก แตกคะแนออกไปเพราะกิเลสของ ค, ขงคนเขาก็ทำให้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องไซยศาสตรมต์มาจากโบราณการดึกดำบรรพวก็พวกหนึ่งนยอย่าไปว่ากันเลยมันเป็นความรู้ในขั้นที่แรกมีแรกพบแรกอั้มันก็เป็นทำจิตภาวนาเพื่อไซยศาสตร์มันก็เกิดขึ้นในง่ายหนึ่งเป็นเรื่องเรื่องทิพย์ เป็นเรื่องทริปเป็นเรื่องอิทธิเรื่องปาฏิหาริก็ไปไปแต่เราไม่ต้องการเพราะมันดับทุกข์ไม่ได้มันดับทุกข์ไม่ได้อย่าไปเอากับมันเลยแต่มันแช่วยเป็นมันแล้วในหมู่บุคคลที่เขานิยมกันไม่ระบบระบบปราณายามอานาปานสติแบบนู้นนู้นมันก็เป็นไซยศาสตร์ขึ้นมาแล้วมันทั้งนั้นแหละแล้เลิกเสียมันก็ถูกต้องมันก็กลายมาเป็นเรื่องที่ถูกต้อง อืมไซยาศาสตร์ศาสตร์ตองคนหลับพุทธศาสตร์ศาสตร์ต้องคนตื่นคนหลับก็ใช้ธรรมะอย่างคนตื่นก็ใช้ธรรมะอย่างเนี่ยใช่อย่างคนหลับก็เป็นไซยศาสตร์ใช่อย่างคนตื่นก็เป็นวิทยาศาสตร์เรื่องปราณายามอานาปานสติมันเป็นวิทยาศาสตร์ ของธรรมชาติเคยใช่ผิดเป็นสยศาสตร์ก็ค่ อ, คอยๆใช่ถูกใช่ถูกมากลายเป็นวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์สูงสุดสามารถจะใช่สิ่งเหล่านี้ถูกต้องในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์มันก็ดับทุกได้จริงพุทธศาสนาของเราที่ถูกต้องมันเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ไสยศาสตร์จงมุ่งหมายที่จะให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มีวิธีกรรทาวิธีวิธีการกระทาที่ถูกต้องไม่ใช่พิธีพิธีทำอย่างละเมอละเมอเพือพ่อามปฏิบัติตามอา น, นาปานาส ต, ติทั้งสิบหกขั้นเนี่ยถ้าคุณมีความรู้ จริงคุณจะเห็นโอ้มันเทคนิคเทคนิคเทคนิคยิ่งกว่าเทคนิคใดใดในโลกมันเต็มได้วยเทคนิคตั้งแต่ต้นจนปลายในนั้นวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิบหกขั้นเป็นเรื่องทางกายทางลมหายใจทางวัตถุมาก่อนก็เปลี่ยนเป็นทางจิตทางจิตแลกเปลี่ยนเป็นทางสติปัญญาทางวิญญาณทางสติปัญญาสูงสุดเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งทางวัตถุ ทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางสติปัญญาเนะอาอนาปานาสติไม่ใช่เล่นนะี่จเป็นภาษาฝรั่งว่าเทคนิคภาษาไทยเราก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเรียกว่าเคเล็ดถ้าจะเกวเคเล็ดกลายเป็นของเด็กเล่นไปซะอีกผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอย่างดีที่สุดในบาหลีเรียกว่าอุปายะอุปายะเครื่องเข้าไปหาความสําเร็จเรียกอุปายะ คํานี้พอที่จะเทียบกันได้คําว่าเทคนิคเทคนิคของฝรัง่งของคําสากลมันเต็มไปได้วยเทคนิคไม่มีเทคนิคก็ไม่สําเร็จแล้วก็มีเทคนิคเทคนิคคือวิชาการใช้เทคนิคเทคนิคเป็นความรู้เทคนิคเป็นการกระทํามีทั้งเทคนิคมีทั้งเทคนิคมันก็สมบูรณ์ในวิชาและจรณะวิชาเป็นเทคนิคจรณะเป็นเทคนิค ในการปฏิบัติอานาปานาสติกว่าจะจบจะสิ้นมันมีทั้งเทคนิคมันมีทั้งเทคนิคเลยสาเร็จมีความเป็นวิทยาศาสตร์พราะเราพูดเราวิทยาศาสตร์ศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์นักปราบาผู้มีปริญญาเมืองนอกบางคนโอ้ถ้าอย่างนั้นเคมีฟิสิกส์ก็เป็น พุทธศาสนาในชาติงโง่มันงโง่ถึงขนาดนั้นไม่มีปริญญามาเมืองนอกนะเพราะว่าพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์มันเคยพิจิตรเคมีเป็นพุทธศาสนามันเป็นได้ถึงอย่างนี้นะคิดดูอย่าไปออกชื่อวอ่าใครแต่บอกให้รู้ผมมันเคยถูกคัดค้านอย่างนี้ถูกด่าถูกคัดค้านมามากมาอย่างนี้ ขอให้ําไว้เถอดไม่ได้เกิไปพิสูจน์ดูเถิดพุทธศาสนาจะเป็นยอดวิทยาศาสตร์มันจัดการกับทุกสิ่งที่ควรจัดในลักษณะที่ควรจัดเพื่อประโยชน์ในแค่จริงที่ควรจะได้เห็นไม่บ้าบ้าบ่บ่พุ่งเพื่มันเท่าที่ถูกที่ควรที่จะดับทุกได้จริงมันเป็นเทคนิคทั้งความรู้เทคนิคทั้งการปฏิบัติเทคนิคทั้งผลของการปฏิบัติ มันน่าพอใจมันน่าชื่นใจอย่างนี้พุทธศาสนาไม่ใช่ใสยศาสตร์จะช่วยกำจัดสยศาสตร์สยศาสตร์เป็นสมบัติเดิมลูกเด็กๆพอคลอดมาจากในจากท้องแม่มาประสบโลกนี่ก็ในรูปสยศาสตร์ทั้งนะั้นนะ ถ้าเด็กมันไม่มีปัญญาที่รู้กว่านั้นอผู้ใหญ่ก็สอนให้กลัวสอนให้คิดไปในแง่ของไสยศาสตร์หวังพึ่งผู้อื่นไปทั้งนั้นเล่านิทานวันก่อนว่าเด็กออกมาจากท้องแม่แล้วมันก็ไปคบโจครคบมิจฉาทิฏฐิกิเลสนั่นคบโจร น, นั่นไสยศาสตร์เต็มตัวตั้งตอนนั้นไสยศาสตร์แล้วมันก็เอาไปทางผิด ทําเป็นโจรอย่างโจรแล้วมันมันถูกกัดความทุกข์อย่างเจ็บปวดต้องค่อยกลับตัวไสยศาสตร์จะค่อยกลายเป็นพุทธศาสตร์ในชีวิตของมนุษย์เราในลักษณะอย่างนี้ถ้าอย่าให้กลับเร็วๆกลับอย่างดีกลับมีผลจริงๆแล้วก็รีบศึกษาวิทยาศาสตร์ระบบใหญ่สูงสุดในพระพุทธศาสนาคืออานาปานาสติ นี่ <c oughs> จะจะจะจะบอกว่ามีอานิสงส์มันรู้มาผลนิพพานนี่ก็เป็นที่รู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่แต่มันมีประโยชน์ แม้ว่าจะอยู่ในโลกนี้อย่างสบายยังไม่ต้องไม่ต้องการนนนิพ น, นา์สูงสุดเลีย้ยงเนื้อโลกจะอยู่ต่อสู้อยู่ในโลกก็ได้ได้ผลดีจะอยู่เนื้อโลกซะเลยมันก็ได้อานิสงส์แล้วที่มันดีกว่านั้นอีกก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสข้อความที่น่าสนใจประทับใจ เป็นใจความว่าการสัตว์รูปของพระองค์นั้นมากมายเหมือนกับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงทั้งโลกนะที่ ด, ดูเท่าไหรแต่ที่ฉันมาสอนพวกเธอเนี่ยเท่ากับใบไม้กับมือเดียวใบไม้กับมือเดียวมันน้อยนะแต่มันเข้มข้นเลือประมาณนะมันพิเศษเลือประมาณนะใบไม้กับมือเดียวถ้าให้ระบุถ้าเป็น ใบไม้กับมือเดียวแล้วไม่มีอะไรที่จะกรรมือเดียวเท่ากับอาณาบานัสติโดยปริมาณมันเท่ากับใบไม้กับมือเดียวแต่มันเข้มขน้นเป็นเพชรเป็นพลอยธรรมะกับมือเดียวธรรมะกับมือเดียวเนี่ยมันผมไม่เคยชอบอ่ะที่เขาตั้งให้เป็นธรรมโกษาจาร์เป็นคลังธรรมะเนี่ยมันมากนักผมต้องการกับมือเดียวนั่นแหละ นี่ธรรมโกสาจารย์มีคลังมียุ่งมีช้างของธรรมะมันมากเกินไปชื่อก่อนๆยังเข้าทีกว่าชื่อเดี๋ยวนี้มันเป็นลักษณะใบไม้กับมือเดียวอยู่มากเราต้องการใบไม้กับมือเดียวแก้ปัญหาได้หมดเข้มข้นเป็นเพชรมีข่าเหมือนกับเพชรแล้วก็ตัดตัดพิเลฒทั้งหลายแล้วก็อนาภาณสติ ใบไม้กับมือเดียวสะดวกที่เอาไปไหนมาไหนอะอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเพราะนใบไม้กับมือเดียวใบไม้ทั้งป่านะไม่ไหวเดี๋ยวนี้เขาเรียนกันไม่มีขอบเขตมันก็เรียนทั้งป่าแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเราไม่ต้องเรียนหมดแม้แต่พระไตปิฎกก็เลยมันยังไม่ใช่กับมือเดียวเลือกเอามาจากกับมือเดียวแท้ๆแล้ก็คือระบบอานาปานสติ ปรเสริเป็นของที่กระชับรัดอยู่กับเนื้อกับตัวได้เหมือนกระเป๋าผิวติดตัวไม่เช่าภูเขาเรากาอะไระนาปานะสติในแง่ของธรรมะในง่พิเศษอะไรก็ยังมีอี ก, อ, ก, อ, กอีกมากจะมีผลดีอย่างใน จักราอธิบายชันหลังเช่นนคมพีวิสุทธิมักเนี่ยก็เล่าเรื่องว่าภิกษุผู้มีอานาปานสติชำนานในการหายใจจนรู้ว่าจะตายจะดับจิตจิตะมะกะจิตดวงสุดท้ายด้วยการหายใจครั้งนี้เขากำหนดได้ก็ราเขาศึกษามาเชี่ยวชาญตลอดเวลาลพระเถระผู้เชี่ยวชาญอนาปานสตินี้ก็จะตาย กับจิตเันลักษณะที่สั่งสอนที่ดีที่สุดรือประกาศภาษาสนาดีที่สุดใยดผลของอนนาปานาสติมันก็ลงไปเดินที่สนามหญ้าเดินอย่างมีสติที่สอนให้เดินนี่แหลก็ให้ลูกศิษย์รออยู่ที่ตรงจุดกลางสนามหญ้า ท่านเดินไปสุดสนามหญ้าฝ่ายโน้นแล้วก็เดินกลับไปสุดสนามหญ้าฝ่ายนี้เดินพอมาถึงอจุดกลางนั้นท่านกำหนดไว้อพอดีกับการหายใจครั้งสุดท้ายท่านก็ดับจิตตรงที่ยืนอยู่กลางสนามหญ้าตรงจุดที่ลูกศิษย์คอยรับประคองร่างไม่ล้มลงไปพิเศษอะไรนีพ่พิเศษของพิเศษนอกเหนือไปจากความจําเป็นก็ยังทําได้อย่างนี้ ที่ผมก็เดาเองไม่ใช่เดามีเหตุผลที่จะเรานะคคาดกั น, เ, นเองว่าถ้ามีอนาปานสติโดยแท้จริงแล้วจะบังคับได้แม่ในทางวัตถุคือตายแล้วจะไม่เน่าตายแล้วจะไม่เน่าก <c oughs> ็ให้ตายลงไปด้วยอนาปานสติ ดับกายสังขารดับวจีสังขารตอนที่ดับกายสังขารดับวจีสังขารจริ ง, จรงๆจะเชื่อว่าตายแล้วกายไม่น่าอาจารย์สวดของผมอาจารย์ประหลัดทุ่มนี่ขอออกชื่อหน่อยสันเสริญศักดิ์คุณของท่านอยู่ที่ภูมิเวียงที่ตายแล้วเป็นอาจารย์สวดของผมท่านก็มีความรู้อย่างนี้มีการรู้วิธีการหายใจ หายใจแบบที่ท่านศึกษาฝึยกันมาหายใจออกหมดทำอย่างนี้ผมเป็นเด็กเกินไปจําไม่เคยจะเล่าแล้วมึงรู้เธอว่าไอตายแล้วไม่เน่าอืแล้วก็ปรากฏว่าร่างกายของท่านเป็นอย่างนั้นจริงอตายแล้วไม่เน่าอาจารย์คนนี้นบังคับได้โดยวิธีการหายใจตามแบบของท่าน จะเป็นอาปอาอนาภานสติแบบดับกายสังขารแบบดับจิตสังขารหรือไม่ผมก็ไม่ทราบแล้วเพราะผมไม่มีความรู้ผมเป็นเด็กๆเอาละขอขัดว่าดขาดความหวังไว้ก่อนว่าทำอานาภาณสติให้คล่องแคล่วชํานาญที่สุดแล้วพอจะตายตายโดยอานาภานสติในขั้นที่ดับกายสังขารดับจิตสังขารเชื่อว่าจะไม่น่าห่วง แล้วพอกันทีมันจะเพ้อแล้วจะเพ้อแล้วพอกันทีมันจะออกมาออกเผ็ดมากแล้วไงไก่ก็บอกล้าหมดเวลาแล้วหมดเวลามันจะต้องยึดตีดการบรรยายมันหนึ่งชั่วโมงเต็มสรุปความว่าอาณาปานาสติจะเป็นที่พึ่งสารพัดนึกในทางโลกในทางธรรมทุกอย่างทุกประการ คนขายให้ชำนาญให้คล่องแคล่วให้ชำนาญให้เป็นคู่คู่คู่ชีวิต <c oughs> คู่มือคู่ใจคู่ชีวิตเธอไปเสียหลายเป็นธรรมะกำมือเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ <c oughs> ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกอานาปานสติ <c oughs> ขอสรุป ผลของอานาภาณสติวรือการบรรยายเรื่องอานาภาณสติว่าอย่างนี้ในเวลานี้ขอยุติการบรรยายและขอปิดประชุม